สติปัฏฐานในฐานะสมาสติสติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของสติบ้างการที่สติเข้าไปตั้งอยู่คือมีสติกำกับอยู่บ้างและอื่นๆว่าโดยหลักการก็คือการใช้สติหรือวิธีปฏิบัติเพื่อใช้สติให้บังเกิดผลดีที่สุด ดังความแห่งพุทธพจน์ในมหาสติปทานสูตรว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นมรคคาเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อข้ามพ้นโสกะและปริเทวะเพื่อความอสดงแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรุโลกุตระมรคเพื่อกระทาให้แจ้งซึ่งนิพพานนี้คือสติปทานสี่ การเจริญสติปฐานสี่นี้เป็นวิธีปฏิบัติธรรมที่นิยมกันมากและยกย่องนับถือกันอย่างสูงคือว่ามีพร้อมทั้งสมถะและวิปัสนาในตัวผู้ปฏิบัติอา จ, จเจริญสมถะจนได้ฌานอย่างที่จะกล่าวถึงในเรื่องสัมมาสมาธิอันเป็นองค์มรรคข้อที่8ก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสนาตามแนวสติปฐานไปจนถึงที่สุดก็ได้ หรือจะอาศัยสมาธิเพียงขั้นต้นๆเท่าที่จำเป็นมาประกอบจเจริญวิปัสสนาเป็นตัวนำตามแนวสติปัฏฐานนี้ไปจนถึงที่สุดก็ได้วิปัสสนาเป็นหลักปฏิบัติสำคัญในพระพุทธศาสนาที่ได้ยินได้ฟังกันมากพร้อมกับที่มีความเข้าใจไขวยเขว อ, อยู่มากเช่นเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่ควรทาความเข้าใจตามสมควร จากการศึกษาคร่าวๆในเรื่องสติปัฏฐานต่อไปนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในความหมายของวิปัสสนาดีขึ้นทั้งในแง่สาระสำคัญขอบเขตความกว้างขวางและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตลอดจนโอกาสที่จะฝึกฝนปฏิบัติโดยสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของคนทั่วไปว่าเป็นไปได้และมีประโยชน์เพียงใดเป็นต้น อย่างไรก็ตามในที่นี้ไม่ได้มุ่งศึกษาเรื่องวิปัสนาโดยตรงคงมุ่งเพียงให้เข้าใจวิปัสนาเท่าที่มองเห็นได้จากสาระสำคัญของสติปัฏฐานเท่านั้นสติปัฏฐานสมีใจความโดยสังเขปคือ 1. กายานุปัสนาการพิจารณากายหรือตามดูรู้ทันกาย 1.1 อาณาปานาสติคือไปในที่สงัดนั่งท่าสมาธิตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยอาการต่างๆ 1.2 กำหนดอิริยาบถคือเมื่อยือนเดินนั่งนอนหรือร่างกายอยู่ในอาการอย่างไรอย่างไรก็รู้ชัดในอาการที่เป็นอยู่นั้นๆ 1.3 สสัมปัตชัญญะคือมีสัมปัตชัญญะในการกระทำทุกอย่างและความเคลื่อนไหวทุกอย่างเช่นการก้าวเดินการเหลียวมองการเหยียดมือนุ่งห่มผ้ากินดื่มเคี้ยวถ่ายอุจจาระปัสสาวะการตื่นการหลับการพูดการนิ่งเป็นตน้น 1.4 สี่ ปฏิกูลมณสิการคือพิจารณาร่างกายของตนตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าซึ่งมีส่วนประกอบที่ไม่สะอาดต่างๆมากมายมารวมๆอยู่ด้วยกัน 1.5 ทาธาตุมณสิการคือพิจารณาร่างกายของตนโดยให้เห็นแยกประเภทเป็นธาตุสีแต่ละอย่างแต่ละอย่าง 1นนวสีวัติกาคือมองเห็นศพที่อยู่ในสภาพต่างๆกันโดยระยะเวลา9ก้าระยะตั้งแต่ตายใหม่ๆไปจนถึงกระดูกผกุแล้วในแต่ละกรณีนั้นให้ย้อนมานึกถึงร่างกายของตนว่าก็จะต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน 2. เวทนานุปัสนาการตามดูรู้ทันเวทนาคือเมื่อเกิดความรู้สึกสุขก็ดีทุ ก, ก็ดีเฉยๆก็ดีทั้งที่เป็นชนิดสามิตรและนิรามิตรก็รู้ชัดตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆ 3. จิตตานุปัสนาการตามดูรู้ทันจิต คือจิตของตนในขณะนั้นๆเป็นอย่างไรเช่นมีราคาไม่มีราคามีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะฟุ้งซ่านเป็นสมาธิหลุดพน้นยังไม่หลุดพน้นและอื่นๆก็รู้ชัดตามที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นๆสธรรมานุปัสสนา การตามดูรู้ทันธรรมหรือธรรมะคือ 4.1 หนึ่งนิวรณ์สิ่งที่กีดกั้นขัดขวางการทำงานของจิตคือกามชันทะพยาบาททีนามิถะหรือความหดหู่ง่วงเหงาอุทจักกุกุจจกความฟุ้งซ่านกังวลใจวิจิกิจฉาความสงสัยแคลงใจรู้ชัดในขณะนั้นนั้นว่า นิวณ์ห้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีอยู่ในใจตนหรือไม่ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้อย่างไรที่เกิดขึ้นแล้วละเสียได้อย่างไรที่ละได้แล้วไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปอย่างไรรู้ชัดตามที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆ 4. ้สองขัน คือกำหนดรู้ว่าขันห้าแต่ละอย่างคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรดับไปได้อย่างไร 4.3 สอายตนะคือรู้ชัดในอายตนะภายในภายนอกแต่ละอย่างแต่ละอย่างรู้ชัดในสัญญาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะนั้นรู้ชัดว่าสัญญาที่ยังไม่เกิดขึ้น เกิดขึ้นได้อย่างไรที่เกิดขึ้นแล้วละเสร็จได้อย่างไรที่ละได้แล้วไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปอย่างไร 4.4 โพชฌงองค์แห่งการตรัสรู้คือสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสติสมาธิอุเบคา รู้ชัดในขณะนั้นนั้นว่าโพชฌงเจแง์แต่ละอย่างแต่ละอย่างมีอยู่ในใจตนหรือไม่ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้อย่างไรที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเต็มบริบูรณ์ได้อย่างไร 4.5 อริยสัจคือรู้ชัดอริยสัจรีแต่ละอย่างแต่ละอย่างตามเป็นจริงว่าคืออะไรเป็นอย่างไร ตอนท้ายของทุกข้อที่กล่าวนี้มีข้อความอย่างเดียวกันว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายในกา ย, กายภายในคือของตนเองอยู่บ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกอยู่บ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายอยู่บ้างพิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมสิ้นไปในกายอยู่บ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในกายอยู่บ้างก็แล้เธอมีสติดำรงต่อหน้าว่ามีกายอยู่เพียงแค่เพื่อความรู้เพียงแค่เพื่อความระลึกและเธอเป็นอยู่อย่างไม่อิงอาศัยไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในโลก สำหรับประโยคนี้เป็นตัวอย่างเนื้อเรื่องกายคำว่ากายเปลี่ยนเป็นเวทนาจิตและธรรมตามแต่กรณี